บทพาชณีหนึ่ี่กุมารีอายุต่ำกว่า20ปีพิชฌณีสําคัญว่าอายุต่ำกว่า20ปีบวชให้ต้องอบัตปาจิตตีกุมารีอายุต่ำกว่า20ปีภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตทุกกฎกุมารีอายุต่ำกว่า20ปีพิกษุณีสําคัญว่าครบบวชให้ไม่ต้องอบัตกุมารีอายุครบ20ปีพิกษุณีสําคัญว่าอายุ ต่ำกว่า20ปีบวชให้ต้องอบัดทุกกฎกุมารีอายุครบ20ปีพิชชณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัดทุกกฎกุมารีอายุครบ20ปีพิชชณีสําคัญว่าอายุครบ20ปีบวชให้ไม่ต้องอาบัด